วิทยายลัยการแพทย์แผนไทยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีศูนย์รงังสปากทางเข้าเมืองเอกติดต่อสอบถามหรือปรึกษาฟรีโทร 02-592-1999 วิทยุราชมงคลธั ญ, ญบุรีเอฟเ5เมเเฮิร์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีรเดศงามเหลือที่คลื่นนี้แ9 5เมกะเฮิรตส์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ RMTT u News พิกัดข่าวเด่นนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมเดียวทีระเดศงามเหลือเป็นประจำนะครับเช่นเคยอะไรฮะวันนี้นี่มีหลากหลายประเด็นนะครับที่อยากจะหยิบยกมาพูดคุยกัน ผมไปเปิดเทรนกู o กนะิลเทรน n ะแล้วไปเจอนะครับว่ามีคนค้นหาเรื่องราวของมันนี่ปากเกียวเนะี่ยเป็นอันดับต้นๆเลยนะครับเพราะว่าเพิ่งไปทำการชกมาแล้วก็ได้ขว้าชัยมามาดๆเลยก็ว่าได้นะครับมันนี่ปากเกียวเนี่ยถือได้ว่าเป็นนักชก ค, คนหนึ่งนะครับที่มีความสามารถแม้ว่าจะตัวไม่ใหญ่มากนะครับแต่ว่าความไหวของเขา น้ำหนักหมัดของเขาการฝึกซ้อมของเขานั้นโอ้โหต้องยอมรับเลยนะว่าเป็นมวยโลกจริงๆนะเพราะอยากได้เห็นนะครับตามเว็บไซต์สื่อต่างๆเนี่ยก็ได้มีการรายงานนะครับว่าปากเกียวนั้นสามารถที่จะกระชากเข็มขัดแชมป์โลกสําเร็จออกมาได้นะครับและแน่นอนนะครับว่าการไปต่อยที่ต่างประเทศนั้นนะครับค่าตัวเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงมากๆเลยนะฮะวันนี้เนี่ยก็หยิบยกเรื่องของมานนี่ปลากเกียวนะครับมาคุยเป็น อันดับต้นๆเลยนะเพราะว่ามอนิปาเกียวเนี่ยเรียกได้ว่าโชว์ความเก่านะครับแม้ว่าจะอายุ41ปีแล้วนะและครั้งนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเขาสามารถที่จะคว้าเงินรางวัลมาได้เนี่ยมหาศาลเลยทีเดียวนะครับอาจจะเป็นแรงบันดาลใจครับให้กับใครหลายๆคนที่กําลังซุ้มซ้อมอยู่ตั้งใจจะเป็นนักชกอาชีพนะครับเพราะว่าการต่อยครั้งนี้ของเขาเนี่ยชนะมาแล้วได้เงินถึง615ล้านบาทโอ้โห ไม่ธรรมดาจริงๆคือผลการแข่งขันศึกกำปั้นโลกนะครับ WBA นะครับในครั้งนี้เนี่ยตกเป็นของแมนนี่ปากเกียวครับนักชกวัย40ปีชาวฟิลิปปินส์ที่โชว์ความเก๋าเลยโค่นคีทเทอร์แมนแชมป์โลกชาวสหรัฐอเมริกาแล้วก็กระชากเข็มขัด น, นะครับ่ WBA กลับบ้านไปได้ในที่สุดนั่นเองแม้ว่าปากเกียวนะครับจะสอยเข็มขัด WBA กลับบ้านแล้ว ปาเกียวเนี่ยก็ยังได้ค่าตัวนะครับกลับบ้านไปมากถึง9หลักเลยนะครับแล้วคุณผู้ฟังทราบไหมครับว่าศึกกำปั้นในครั้งนี้เนี่ยปาเกียวแล้วก็เชื่อมานั้นได้ค่าตัวจากการแข่งขันในครังนี้ไปเท่าไหร่นะครับตามรายงานเนี่ยบอกว่าข้อมูลเนี่ยจากฟอร์มนะีมีการเปิดเผย ว, ว่าเมนี่ปาเกียวเนี่ยนะครับได้รับการการันตีค่าตัวราวๆสิบล้านเหรียญสหรัฐหรือว่า300รนะครับเล้ 7, 60, าน9ก้0 0 0นหบาท ในขณะที่คิเทเชอร์แมนนะครับซึ่งเป็นคู่ชกชาวสหรัฐนะครับได้ค่าตัวราว 2.5 ล้านเหรียญหรือว่าราว76นะครับประมาณเกือบ77ล้านบาทนะครับอย่างไรก็ตามแนละ้วทั้งคู่อาจจะได้มากกว่านั้นนะครับซึ่งก็เชื่อว่าเมนิปาเกียวจะได้ค่าตัวกลับบ้านไปมากถึง20ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่ากว่า600กว่าล้านบาทซึ่งก็เป็นตัวเงินที่ได้เพิ่มเปอร์เซ็นต์การขายตัวรวมถึงค่าลิขสิทธิด้วย ส่วนคิดถแม่ก็น่าจะได้เงินราวเกือบ250ล้านดูสิฮะคุณผู้ฟังฮะว่าแหมเป็นนักชกอันดับโลกแล้วเนี่เรื่องของเงินทองนั้นก็มีตามมามากมายนะครับน้องๆที่ใฝ่ฝันอยู่ที่อยากจะไปเป็นนักชกอาชีพนะครับอาจจะเริ่มต้นจากการชกทั่วไปกัน โชคตามงานวัดงานวาผมเคยมีเพื่อนนะครับไปเป็นนักโชคเด็กวัดอะไรแบบนี้นะแม้ว่าเขาจะมาได้ประสบความสําเร็จแต่ว่าเห็นความมุ่งมั่นการฝึกซ้อมแล้วเนี่ยต้องยอมรับเลยนะครับว่าสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันอยู่ที่การฝึกซ้อมนอกจากพอสวรรค์พอสวงแล้วนะครับเรื่องการฝึกซ้อมนั้นถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆแล้วเห็นปัจจุบันนี้นะครับมีการยกระดับ การต่อยมวยในประเทศไทยนะครับมากขึ้นด้วยเพราะว่าเห็นมีรายการทีวีบางรายการนะครับปั้นเอาดารามาเลยนะครับเพื่อที่จะมาทําการชกกันนะสามยกชกกันเลยชกแบบจริงๆเลยมีการฝึกซ้อมกันก่อนก่อนที่จะทําการขึ้นชกนะก็ทำให้มีการยกระดับเรื่องของมวยเนี่ย ในประเทศไทยนั้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับนี่ก็ต้องขอชื่นชมในส่วนของผู้ประกอบการด้วยแล้วกันนะฮะพอพูดถึงเรื่องของการแข่งขันครับผมไปนึกถึงการแข่งขันอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือการแข่งขันทางวิชาการบ้างอยากจะปลบมือดังๆฮะนะครับว่าสุดยอดจริงคือเด็กไทยนี่นะครับ ที่ไปร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาตินะครับ2019ที่ญี่ปุ่นนะครับพวกเขานั้นก็เดินทางกลับแล้วหลังจากที่กว่ามาได้ถึง31รางวัลเลยซึ่งนักเรียนทางชายหญิง28ค น, นครับจาก14โรงเรียนทั่วประเทศครับพวกเขานั้นได้ขึ้นรับรางวัลหลังจากที่ไปร่วมการแข่งขันรายการคณิตศาสตร์นานาชาติหรือว่า World e, Mathematics i n v i t a t i o n นะครับ2019ที่เมือง ฟุก โ, โอกะประเทศญี่ปุ่นก็มีการจัดการตั้งแต่วันที่15ถึงยี่บกรกฎาคมนะครับทั้งหมดเนี่ยเดินทางกลับถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในช่วงค่าคืนที่ผ่านมาโดยที่นายภูมิเทพพังอุไรครับซึ่งเป็นประธานโครงการ Thai Talent Training บอกว่าไทยนั้นส่งนักเรียนไปแข่งขันรายการนี้นะครับกับทีมนักเรียนกว่า 3,000 คน จาก20ประเทศทั่วโลกนะครับคือไต้หวันสหรัฐอมเมริกาเกาหลีใต้จีนฮ่องกงมาเกา๊ามาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์ไนจีเรียอินโดนีเซียอิหร่านเวียดนามอินเดียบัลเรียคาซัคสถานเมียนมากัมพูชาและไทยซึ่งประเทศไทยนั้นสามารถคว้า ม, มาได้ถึง31รางวัล น, นะครับแยกเป็น9รางวัลคือเหรียญทอง14รางวัล น, นั้นเป็นเหรียญเงินแล้วก็5เหรียญทองแดงครับ มีทั้งรางวัลที่เป็นไดมอนด์ด้วย3รางวัลแล้วก็หนึ่งรางวัลเนี่ยเป็นดีเจนนะครับแล้วก็อีกหนึ่งรางวัลนั้นเป็นเดอะสตาร์มาได้อีกด้วยถือว่าประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเด็กไทยของเรานี่การแข่งขันรายการนี้นะครับก็จัดขึ้นโดยองค์การคณิตศาสตร์ไต้หวันครับวัตถุประสงค์ของเขาคือว่าเพื่อที่จะต้องการนะครับแลกเปลี่ยนประสบการณ์และก็ความคิดระหว่างนักคณิตศาสตร์ยกระดับความสนใจของนักเรียน ทำให้เกิดความอยากรู้อยากศึกษาอันนไปสู่การพัฒนาศักยภาพของนักเรียนด้วยและก็ทำให้เกิดแรงบันดาลใจคิดอย่างมีเหตุผลเกิดทักษะนะครับในการแก้ปัญหาแล้วก็มีความภาคภูมิใจเมื่อประสบความสำเร็จนะครับแม่ต้องตบมือใหอ้เยี่ยมจริงๆเลยนะครับอ้าวนอกเหนือจากนั้นนะครับอยากจะพูดถึงเรื่องของภัยแรงกันสักหน่อยนะครับคุณผู้ฟังครับ ภัยแรงเนี่ยไปดูทางใต้กันก่อนแล้วกันเนาะทางใต้นะครับที่อบตอปากแพรกเนี่ยมีการจัดมหากรรมแข่งขั น, ขนกีฬ า, าีดาเยาวชนนะครับแล้วก็เพื่อเป็นสีสันนะพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเรียกได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยพื้นที่ทางใต้เกิดมรสุมบางพื้นที่นะคุณผู้ฟังผมได้รับการร้องเรียนมาน้าปะป่าครับมีใช้ในน้อ ย, อยเมื่อก่อนในชาวบ้านเนี่ ย, ยร้องเรียนนะครับว่า ก็มีใช้เป็นปกตินี่แหละแต่ทีนี้เนี่ยพอมันมีการก่อสร้างทำเป็นเป็นบ่อเป็นแองกนะครับแล้วก็มีการต่อท่อไปชา บ, บ้านเขาลองเรีย ว, ว่าคนที่อยู่บนต้นต้นน้ำเนี่ยกับกลายว่าจริงๆเราต้องได้น้ํามากกว่าใช่ไหมแต่ไม่ใช่ฮะเพราะน้ำมันไหลไปตามท่อไงทีนี้การที่จะสูงขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ยากหน่อยจ้า บ, บ้านเขาก็ต้องหาเงินหาทองนะครับมัวแต่จะรอ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยแก้ไขปัญหามันก็ช้าเหลือเกินว่าอย่างนั้นนะครับเคยนําเสนอไปแล้วนะครับในรายการร้องทุกขลงไปนี้ของไทยพีบีเอสนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดถึงเรื่องของภัยแล้งเนี่ยไปดูพิจิตด้วยพิจิตนะฮะฝนนั่นทิ้งช่วงนะครับเพราะว่าข้าวที่ชาวนานในพื้นที่นอกเขตชลประทานนะครับในพื้นที่นั้นเนี่ยคือว่าเขาก็ได้รับผลกระทบ จากฝนทิ้งช่วงแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนจัดเนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะหาแหล่งน้ํามาหลอเลี้ยงต้นข้าวได้ทําให้ต้นข้าวที่ชาวนาหวานแห้งเริ่มเหี่ยวเฉาแล้วก็สถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยก็ยังคงส่งผลสร้างความเสียหายให้กับนาข้าวของเกษตรกรที่อยู่นอกพื้นที่เขตชลประทานด้วยในพื้นที่ตะ บ, บนสายคําโหนะครับอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรพื้นที่การเกษตร นาข้าวเกือบถึงพันไร่กําลังได้รับผลกระทบจากฝนที่ตกลงมาไม่เพียงพอและไม่สามารถที่จะหาแหล่งน้ํามาหล่อเลี้ยงต้นข้าวที่อายุได้เพียงแค่1เดือนกว่าจนทําให้ต้นข้าวที่เกษตรกรชาวนา น, นะครับเริ่มเหี่ยวเฉาเพราะว่าขาดน้ําเป็นเวลานานๆคาดว่าหากว่าไม่มีฝนที่ตกมาในช่วง1นึเดือนนี้นะครับอาจจะทําให้ต้นข้าวที่เกษตรกรได้มีการบานไว้ทําให้เกิดความเสียหายต้นข้าวข้อจะตายและก็ขาดน้ําไปด้วย สำหรับพื้นที่การเกษตรนะครับตำบลสายคําโพอําเภอเมืองจังหวัดพิจิตรนะครับที่เป็นเขตนอกชลประทานแล้วก็เป็นที่รับน้ำท่วมเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เสี่ยงทํานาเนื่องจากไม่สามารถที่จะปลูกพืชชนิดอื่นได้เป็นการหว่านข้าวนาปีของชาวนาโดยทำการหว่านแห้งต้องน้ำฝนนะครับในการทํานาด้วยแหมเดือดร้อนชาว บ, บ้านเดือร้อนครับนี้นอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับ ที่นครสวรรค์จริงๆแล้วที่นครสวรรค์เนี่ยก็มีปัญหานะครับพราะเกิดพายแรงแล้วก็ไปกระทบกับปปาหมู่บ้านแต่ผมที่เห็นหนักๆเลยนะฮะแถวภาคอีสานอย่างที่จังหวัดเลยเนี่ยนะโอ้โหหนักมากครับผมเคยไปที่แก่งกุดคูริมแม่น้ำโขงฮนะสมัยเมื่อประมาณสักสิบห้าสิบหปีที่แล้วนะจำได้คือว่า เวลาน้าแห้งน้ำลงเนี่ยมันก็ไม่ลงเยอะขนาดนี้แต่ล่าสุดที่เห็นนะฮะตามรายงานนะครับของไทยพีบีเอสเองผลปรากฏว่าผูน้ำมันแห้งมากครับการเดินทางสัญจรทางเรือเนี่ยเป็นไปอย่างยากลำบากนี่ขนาดน้ำโขงนะน้ำที่ไหลมาจากจีนเนี่ยนะยังเป็นขนาดนั้นเลยนะครับแล้วทีนี้ชาวบ้านละ่ะที่เขาต้องใช้น้ำหล่อเลี้ยงชีวิต หาปงหาปลานะแล้วระบบนิเวศของน้านั้นจะเป็นอย่างไรนะตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงอยู่แต่ว่าสื่อก็พยายามที่จะช่วยกันอยู่นะครับในการที่จะแก้ไขปัญหานำเสนอนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้รับทราบถึงปัญหาว่าชาวบ้านนั้นเขาได้รับผลกระทบอย่างไรพอพูดถึงเรื่องของแม่น้ำโขงครับผมเล่าเรื่องของบึงการให้ฟังหน่อย ที่บึงกาฬนะครับน้ำโขงต่ําสุดในรอบหลายปีครับแล้วชาวประมงพื้นบ้านเนี่ยก็ประสบ ป, ปัญหานะครับมีการวัดระดับน้ำนะครับที่จุดวัดระดับน้ําพันลําหมู่2องตบลวิเศษอําเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการกับวัดได้ 2.22 จุดสองสเมตรระดับน้ำเนี่ยก็เพิ่มสูงกว่าเมื่อวานนี้จากเมื่อวานนะครับคือ14ซนเมตรแต่ก็ยังต่ากว่าระดับตลิ่งอยู่12เมตรกว่า ถึงแม้ว่าระดับน้ําโขงจะสูงขึ้นเพียงเล็กน้อยแต่ก็ไปส่งผลกระทบต่อประมงพื้นบ้านด้วยคือระดับแม่น้ําโขงนะครับที่บึงการนั้นเพิ่มขึ้นมาก็จริงนะฮะแต่ก็ส่งผลกระทบกับชาวประมงที่ต้องออกไปหาปลาเป็นอาหารแล้วที่เหลือคือว่าจะมีการส่งขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวด้วยเนื่องจากว่าเป็นอาชีพหลักของพวกเขา เมื่อระดับน้ําในแม่น้ำโขงลดลงอย่างมากนะครับก็ทำให้ปลาทุกชนิดที่อาศัยอยู่ในแม่น้ําโขงนั้นก็พากันหลบซ่อนอยู่ในตามเกาะแก่งตามถ้าใต้น้ําแล้วก็หลบซ่อนใต้แม่น้ําโขงไม่ออกมาจากที่ซ่อนเลยทําให้ชาวประมงทั้งชาวไทยแล้วก็ลาวนะครับที่ไปหาปลาในน้ําโขงเนี่ยต้องหยุดออกเรือหาปลากันเป็นส่วนใหญ่ที่เหลือก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรก็ยังคงออกหาปลาเพื่อที่จะเลี้ยงครอบครัว แต่ก็ได้ปล่าตัวเล็กนะฮะพอไปทำอาหารเด็กครอบครัวมันก็ไม่พอด้วยแหละนะครับถ้าเกิดว่าจะกินหารายได้นี่ก็หมดสิทธิ์เลยถ้าเกิดว่าระดับน้ำโขงเนี่ยยังต่ำแบบนี้ไปนานๆ น, น, นะครับคงจะเดือดร้อนไปอีกนานเห็นไหมคว่าน้ำนั้นเนี่ยมีผลต่อวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไรเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะครับพักกันสักหน่อยแล้วกันในช่วงหน้านะครับมีอีกหลากหลายประเด็นนะฮะ ทั้งในพื้นที่แถบภาคกีสารแล้วก็ทางภาคใต้ด้วยนะครับสักครู่มาติดตามกันนะครับในรายการ RMU T T News พิกัดข่าวเด่นกับผมธีเดชงามเหลือนะครับสักครู่ครับ RMU T T News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์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 ไ m u t t News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เกมกะเฮิร์กบเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการไ m u t t News พิกัดข่าวเด่นนะครับคุณผังครับในช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงมีหลากหลายประเด็นเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็จะไปพบกันนะครับที่รายการ วันใหม่ไทยพีบีเอสอยู่แล้วนอกเหนือนจากคลื่นเปอรแล้วยังได้พบกันนะครับในรายการล้อมวงข่าวด้วยทางไทยพีบีเอสแฝงเนี่ยนะฮะนี้ประเด็นเนี่ยในช่วงนี้เองจยกจะให้เห็นในความหลากหลายนะครับของข่าวที่มีความคืบหน้าพอสมควรเหมือนกันอย่างเหตุการณ์ต่อไปนี้นะครับเกิดขึ้นที่ทางภาคอีสารครค น, คนครับตำรวจสกลนคะรครับคือนักข่าวพยายามไปถามเหมือนกันว่าเหตุการณ์เรื่องของรถยนต์พลิกอัพประกบไล่ยิงรถเก่ง ชาวบ้านเนี่ยว่าไปเกี่ยวข้องกับคนมีสีไหมเพราะว่าจากกรณีนะครับเมื่อกลางเดืองคือวันที่19ก ร, รกฎาคมน ะ, ะเกิดเหตุรถชนกระบะไม่ทราบป้ายทะเบียนจอดเข้าประกบจริงรถเก๋งสีบรอนไม่ทราบแผ่นป้ายทะเบียนด้วยขณะที่กําลังจอดติดสัญญาณไฟแดงที่แยกบ้านท่าหน้ามหาวิทยลาลัยรัชภัฒสกนลนครแล้วก็เกิดมีการยิงกันขึ้นสามนัดนะฮะก็สร้างความแตกตื่นให้กับประชาชนจนํานวนมากครับ เนื่องจากวาบรวยดังกล่าวนั้นเป็นย่สถานศึกษามีาานักศึกษาแล้วก็ประชาชนกําลังเดินหาซื้อแล้วก็รับประทานอาหารต่างก็ตกใจวิ่งหลบหนีนะฮะหลังจากที่ว่าเสียงปืนรถทั้งสองคันเนี่ยได้มีการขับหลบหนีติดตามกันแล้วก็มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองสุโขทัยนี่นะครับเมื่อมีการสอบถามไปยังพันะตารวจเอกกิตเตชิตบํารุงผู้กํากับการสถานีตํำรวจภูธรเมืองสุโขทันะครับซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เกิดเหตุ แล้วก็พลตบตรีอนุพันธ์จันเรกผู้บังคับการตารตวจภูธรจังหวัดสกนลนครบอกว่าเป็นแนวเดียวกันนะครับว่าขอเวลาให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำการสืบสวนเสียก่อนไม่สามารถที่จะเปิดเผยรายละเอียดอะไรได้มากทีมข่าวก็ลงพื้นที่ไปติดตามบอกแสย่านถนนนิตยโยซึ่งเป็นถนนสายสกนลนครอุดรธา น, นีครับหน้าโรงแรมแห่งหนึ่งซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยบอกว่า ยังไม่มีเจ้าห้าที่ตํารวจมาขอตรวจดูกล้องวงจรปิดจากร้านค้าของเอกชนนะครับรวมถึงกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งใน4แยกบ้านท่าจุดที่เกิดเหตุด้วยซึ่งก็อยู่ในความดูแลของสถานีตํารวจภูธรสกลนครก็ต้องรอให้เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเข้าไปตรวจสอบเสียก่อนล่าสุดนะครับได้บอสสายรถยนต์หนึ่งในสองคันถูกจับกลุ่มได้ที่สถานีตํารวจภูธรโคกศีสุพรรณอำเภอโคกสรีสุพรรณจังหวัดสกลนคร ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ30กิโลเมตรนะครับแต่เมื่อไปตรวจสอบเนี่ยพบว่าไม่พบรถคันดังกล่าวเมื่อสอบถามไปยังพันตำรวจเอกเสกสรรอินทรสิทธิ์ซึ่งเป็นผู้กำกับการสถา น, นีตำรวจภูธรโคกศรีสุพรรณก็บอกว่ายังไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนขยายผลอย่างไรก็ตามนีนะครับผู้สืข่าวเนี่ยพบข้อมูลว่าเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น มีความเชื่อมโยงครับไปยังขบวนการค้ายาเสพติดที่มีการติดตามการขนยาเสพติดมาจากฝั่งชายแดนด้านจังหวัดนครพนมกําลังลําเลียงยาเสพติดไปยังพื้นที่จังหวัดทางภาคกลางจนเมื่อมาถึงที่เกิดเหตุนี่นะครับมีการไหวตัวทันครับจึงเกิดการยิงกันขึ้นแล้วก็หลบหนีไปจนมุมในพื้นที่อํเาเภอโคกศีสุพรรณที่จงกกังหวัดสกลนครถือว่าเป็นเหตุการณ์อุกอาจเกิดขึ้นย่านชุมชนแล้วก็สถานศึกษานะครับแต่ว่ามีความคลืบหน้าในเหตุการณ์นี้น้อยมากครับ ก็สร้างความสับสนให้กับประชาชนแล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ไปถึงการปิดเงียบเรื่องของคดีครับน่าจะมีผู้อิอทธิพลหรือเปล่าหรือว่ากลุ่มคนมีสีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องไหมทําให้ตํารวจยังไม่สามารถที่จะมีการเปิดเผยรายล ะ, ละเอียดของรูปคดีหรือว่าการตั้งประเด็นมูลเหตุในการยิงกันครั้งนี้ได้รวมถึงการติดตามรถต้องสงสัยทั้งสองคันนั้นก็ยังไร้วี่แววอยู่ด้วยนะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรองความชัดเจนกับทางตํารวจ เสียก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าก็คงจะนำมารายงานให้กับคุณผู้ฟัง RMU ที่ดีนิวส์พิการข่าวเด่นนั้นได้ทราบกันต่อไปด้วยแล้วกันนะครับมีประเด็นนะฮะเรื่องของเด็กครับคือมีเด็กชายสองพี่น้องเนี่ยมีการประกาศตามหาแม่นะครับหลังจากที่แม่ไปทำงานต่างประเทศแล้วก็หายตัวไปนานกว่า3ปีแล้ว ทีนี้เนี่ยคือวเขาต้องมีการเลี้ยงยายเลี้ยงน้องบางครั้งก็ยอมขาดเรียนเพื่อหาปลามาย่างขายเลี้ยงครอบครัวด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมานะครับพิบาลเลขที่1นึสี่หมู่ที่1นึ่ะบนชีวานอาเภอพิมาจังหวัดนครราชสีมาครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจก็พบเด็กชายชนละวิทย์เย็นประเส ร, ริฐหรือว่าน้องน็อดอายุ14ปีนะครับแล้วก็เด็กชาชลวัฒหรือว่าน้องริวเย็นประเสริฐอายุ13ปี สองพี่น้องนะครับก็ได้นำรูปถ่ายของนางอาัมภาโคกระิ่งอายุ36ปีผู้เป็นแม่เนี่ยมาหวานสื่อเนี่ยให้ช่วยตามหาแม่หน่อยหลังจากที่ผู้เป็นแม่นะครับได้ไปทำงานในเมืองดูไบประเทศสารัฐอารับพมิเรตตตั้งแต่ต้นปีพศสอง9กกระทั่งในปัจจุบันนี้นะครับยังติดต่อไม่ได้แล้วแม่ก็ยังไม่ติดต่อกลับมาด้วย ก็เลยทําให้น้องน็อดจำเป็นต้องออกไปทอดแห่จะปลาตามคลองน้ําแล้วก็บางครั้งนะครับ <sometimes> ก <f aten Scott> ็ไปซื้อปลามาย่างขายส่งตลาดนัดได้เงินครั้งละ5 0 0ร้อยถึงหนึ่บาทด้วยเงินที่ได้ก็จะนํามาซื้อกับข้าวเลี้ยงดูน้องชายแล้วก็ยายเนื่องจากว่าผู้เป็นพ่อได้แยกทางกับแม่มานานแล้วหลายปีส่วนผู้เป็นตาก็เสียชีวิตมานานแล้วหลายปีเช่นกันเด็กชายชลอดิตนะครับบอกว่าตนเองอาศัยอยู่กับน้องชายแล้วก็ยาย3คนนะครับ ทุกวันนี้ก็อยู่ด้วยความยากลําบากบางครั้งก็ขาดเรียนเพื่อที่จะมาช่วยยายย่างปลาขายก็ต้องการให้ผู้เป็นแม่ที่ไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่ยติดต่อกลับมาทางบ้านหน่อยเนื่องจากว่าไม่มีเงินค่าใช้จ่ายเรื่องของค่ารถโดยสารไปโรงเรียนอีกทั้งแล้วครอบครัวเองก็มีฐานะยากจนด้วยยายก็มาล้มป่วยเองทํางานหาเงินก็ไม่ได้บ้านที่อยู่อาศัยก็ผุพัง ด้านนางแลงโคกระทิงผู้เป็นยายก็บอกว่าตนเองก็พยายามที่จะหาทุกวิธีทางแม้กระทั่งไปดูหมอดูตามหาลูกสาวก็ทําล่าสุดเนี่ยหมอดูก็ทักว่าลูกสาวทูกข์กขังในต่างประเทศนี่ต้องบอกว่าต้องฟังด้วยวิจนะญาณ น, นะฮะเพราะว่าทางคุณยาเนี่ยเขามีความชื่อแบบนั้นคือทําทุกอย่างแล้วจริงๆนะฮะสำหรับผู้ใจบุญนะฮะต้องการที่จะช่วยในเรื่องของการให้โอกาส มอบทุนการศึกษาให้กับน้องนอตและก็น้องริวนะครับก็สามารถทำได้นะครับโทรศัพท์ไปสอบถามได้ที่เบอร์ครับศู1ย4หกหนึ่ดที่นางแลโคกกระเทงผู้เป็นยายครับหรือว่าจะไปบริจาคเงินช่วยทุนการศึกษาได้ที่ธ <Okay. S 1> นาคารอมสินสาขาพิมายชื่อบัญชีนะครับ <Okay. S 1> เด็กชาชนาวิตรเย็ยนประเสริฐหมายเลขบัญชี 0-20102897442 นกเ็ดีถว่าเป็น เรื่องที่ลูกนะต้องการที่จะให้แม่เนี่ยได้ติดต่อกลับมาเพราะว่าทางบ้านก็มีปัญหาอยู่ณขณะนี้ด้วยอามีเหตุการณ์หนึ่งครับเกิดขึ้นที่อุบลราชธานีเป็นเหตุการณ์ซ้ำซากครับเรื่องของพวกสายสื่อสารต่างๆไปเกี่ยวคอคนที่ขี่รถผ่านไปผ่านมาอีกแล้วเกิดเหตุดีแล้วนะครับสายสื่อสารเกี่ยวคอนางสาวเรียกว่าหายปละหักเลยแหละหน้าช้าด้วย เป็นนักศึกษาการโรงแรมเอกชนแห่งหนึ่งนะครับในจังหวัดบุบราชธานีคือว่าเขาก็ซ้อนรถมอเตอร์ไซค์เพื่อนจะไปกินข้าวเมื่อสีวันก่อนเนี่ยนะฮะขณะที่รถเนี่ยแล่นผ่าสีแยกทางเข้าสนาม บ, บินนานาชาติซึ่งได้ถูกสายสื่อสารของบริษัทโทรศัพท์ครับเกี่ยวคอตกจากรถแล้วไหาบาลานี่หักเลยลําคอใบหน้ามีบาดแผลถูกเกี่ยวนี่ก็วอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าไปช่วยเหลือด้วยโดยที่สังคมออลานะครับมีการส่งต่อ ภาพซึ่งก็มีการบรรันทึกภาพโดยนหน่วยกู้ภยัยกู้ชีพนะครับเข้าไปช่วยเหลือนำร่างของนักศึกษาสาวิทยาลัยเอกชนแห่งหนึ่งนะครับที่ถูกสายสื่อสารของบริษทัทให้บริการอินเทอร์เน็ตของบริษัทแห่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่หลุดห้อยลงมาเกี่ยวเข้าที่ลาคอขณะที่นั่งส้อนท้ายรถจักรยานยนต์จนทาให้กระเด็นตกจากรถแล้วไฮลาラนี่หัก โดยเหตุเกิดนะครับเมื่อเวลา2ี่สนากาของวันที่16บหกรกฎาคมนี้ครับผู้สื่ข่าวลงพื้นที่ไปสำรวจที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ฟังก็ไม่พบสายสื่อสารที่ห้อยหย่อนลงมาเหมือนวันเกิดเหตุและก็มีภาพเจ้าหน้าที่ของบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตบริษัทแห่งหนึ่งนะครับมาทําการซ่อมแซมแล้วก็เก็บสายที่ห้อยลงมาขึ้นไปรวมกับสายสื่อสารอื่นๆไว้บนเสาแล้วจึงได้มีการติดต่อสอบถามนางสาวจิริยาปาบุตรอายุ22ปีซึ่งเป็นนักศึกษานะครับ เขาบอกว่าเขาได้ขี่รถจักรยานยนต์มากับนางสาววัฒนาทองเปลวอายุ20ปีก็เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเดียวกันเนี่ยบอกว่าวันเกิดเหตุนะครับเลิกงานคือว่าไปทำงานหาไรายได้พิเศษชวนกันไปกินที่ริมอ่างเก็บน้ำห้วยวังนงแล้วก็ใช้เส้นทางมาตามถนนเมื่อรถแล่นมาถึงสี่แยกทางเข้าสนามบินนานาชาตินางสาวจัยาเนี่ยมองเห็นสายสื่อสารห้อยหย่อนลงมาขวางกลางถนน ความสูงระดับคอพอดีครับจึงเอี้ยวตัวหลบแต่ว่านางสาววัฒนาที่นั่งซ้อนท้ายอยู่ข้างหลังมองไม่เห็นทําให้ถูกสายเกี่ยวเข้าที่ลําคอจนกระเด็นตกจากรถไปกระแทกกับถนนอย่างแรงทําให้ไหาบาล้านั้นหักนะฮะแล้วหลังเกิดเหตุ น, นะครับได้แจ้งจุาหน้ที่กู่ภยัยแล้วก็กู้ชีพเข้าไปนําร่างของนายศึกษารุ่นน้องส่งโรงพยาบาลได้านางสาววัฒนาเนีบอกว่าต้องการให้หน่วยงานที่เป็นผู้ติดตั้งสายสื่อสารหรือว่าหน่วยงานที่กํากับดูแลการติดตั้งสายสื่อสารดังกล่าวนั้น มีการตรวจสอบครับดูแลสายสื่อสารที่ติดตั้งเอาไว้จะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกนะครับเพราะว่าอนาคตนั้นอาจจะทําให้มีผู้เสียชีวิตได้ส่วนค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้ร้องเพราะว่าต้องดูอาการเจ็บป่วยของตัวเองก่อนแต่ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตที่เป็นเจ้าของสายที่ห้อยอย่อนลงมาสแสดงความรับผิดชอบเลยสำหรับเหตุการณ์สายสื่อสารหย่อนภาาถนนเกี่ยวกัคอประชาชนผู้ใช้ถนนได้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งนะครับเมื่อเดือนธันวาคม ปี2561นะครับโดยที่สายสื่อสารได้เกี่ยวคอหญิงสาววัย19ปีและจนกรที่ตํารวจตระเวนชายแดงขณะที่ปัญนจักรยานออกําลังกายช่วงชา ม, มืนในเขตตะบนเขาใหญ่ที่อำเภอเมือ ง, องบรัชธานีด้วยแล้วหลังจากนั้นเนี่คือว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองที่เป็นเจ้าของสายสื่อสารแล้วก็สํานักงานคณะกรรมการเกี่การกระจายเสียงเกี่การโทรทัศน์และโทรการมนาคมห่งชา่านะฮะได้ลงพื้นที่มาตรวจสอบแล้วก็แสดงความรับผิดชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นมาแล้วด้วยนะฮะ ก็พอสมควรครับเป็นเรื่องราวใกล้ตัวที่หยิบยกมาพูดคุยกันฝากผลงานหน่อยแล้วกันนะครับคุณฟังครับรายการวันใหม่ไทยพีบีเทางดิจิตอล HD 3ตั้งแต่ตีห้านะครับยาวเรื่อยไปเลยจนถึง10บโมเช้าแต่ว่าผมก็จะมีรายการล้อมองข่าวด้วยเป็นรายการข่าวออนไลน์พบ ก, กันได้นะครับที่ไทยพีบีเอสแฟนเฟซบุ๊กนะครับ u ูทูบแล้วก็ทางทวิ t เตอร์ค้นคําว่า Thai PBS เอสหรือว่าล้อมองข่าวก็ได้ไมปพบ ก, กันในนั้นนะครับแล้วก็ฝากเพจด้วยละกันเพจหน้าข่าวพัสนาม รวมถึงยูทูบด้วยนะครับเดียลโบรี่วันนี้เนี่ยขอบคุณอย่างมากเลยนะครับลาไปก่อนครับพบ ก, กันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ RMU TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดษงามเหลือที่คลีนีิ้ 89.5 เมกกะเฮิร์